อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับุรุณซึ่งเป็นรายการที่เปิดสถานีของสถานีวิทยุประจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเช้าตั้งแต่เวลาตีห้ถึงครึ่งเหมือนเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกาคมพุทธศักราช2555ค่ะก็ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่าเดือน8ปีมะโรงค่ะ ในเดือนกรกฎาคมก็จะมีถึง5อาทิตย์ด้วยกันก็คิดว่าคงจะทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านดีใจกันแล้วว่าเราจะได้รับฟังช่วงการสากระชาหรือสนทนาธรรมะเราเพิ่มมากขึ้นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะหรือว่าเพิ่มกันอีกวันอาทิตย์หนึ่งนั่นเองเช้าวันนี้ดิฉันขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัตการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนะพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรม ปริเณตามพุทธวัจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งสําหรับวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็มีพระเาษพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะค ะ, ะพบกันในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ภัยบุญอภิบุนโน พระอาจารย์องค์ปาถุก ข, ของเราพร้อมกันเลยนะคะกราบน้มัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพอนสาธุเจ้าข้ามาต้องการพูดถึงาก า, า, ารสากการะนิดนึงด้วยได้เจ้าข้าว่าต้องการเน้นยำน้ำว่าการสนทนาพูดคุยกันเนี่ยนะคุณเตนใจพระพุทธเจ้บอกว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้มีสมาธิิได้นี่ยคือบางทีความเห็นความารู้หรือว่าความคิดอะไรต่างๆเนี่ยคุณเตนใจบางทีเราก็ฟังฟังต่อต่อกันมามัอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็มี เย่างเมื่อวานเราครุยนเรื่องกรรมใช่ไหมเราต้องเข้าใจเกี่ยวกัเรื่องว่ากรรมเก่ากรรใหม่อะไรต่างๆก็เข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วว่าอ๋อทำแบบนี้มันผิดอย่างนี้ทำแบบนี้มันถูกอย่างนี้เนี่ยนะะเพราะฉะนั้นการสากฉาเนี่ยพระพาทธาบอกว่าเป็นองค์ธรรมนะที่จะเป็นเหมือนกับรุ่งอรุณของการที่จะได้มาซึ่งสัมมาทิฐินะคือถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับเวลาพระอาทิตย์ขึ or, friend, ้ this, ço, cent, Now, right. นเนี่ยนะที่กรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็จะมีทำองศาไว้ว่าถ้า พระอาทิตย์เนี่ยมาทํามุม uh 12องศากับแกนโลกแล้วนะก็จะมีแสงสีขาวขึ Spanish> ้นมาถ้าทำมุม6องศากับแกนโลกนะก็จะมีแสงสีแดงขึ้นมาและถ้าทำมุม0องศานี่มันจะเริ่มเห็นพระอาทิตย์ปริ่มๆขึ้นมาละใช่ไหมแล้วก็จนกระทั่งพระอาทิตย์เต็มดวงขึ้นมานั่นแหละถึงจะบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นถ้าเราเปรียบเทียบแสงสีแดงกับแสงสีขาวเนี่ยนั่นก็คือการสากกระชากันเองถ้าเรามีการสากกระชั้นทำอยังตูกต้องแล้วสมาธิิจะมาได้ ด้านพันธุ์พ้องจึงพูดคุยกันจึงมีเปิดโอกาสให้คุณเตือนใจถามคำถามบ้างแต่ท่านผู้ฟังถามคำถามบ้างหรือว่าคุยคือการที่บางทีถามถามฝ่ายเดียวต่อบฝ่ายเดียวเนี่ยนะมันมัน ค, คือเราก็ไม่เข้าใจว่าเขามีคำถามตอบเนื่องอะไรไหมน ะ, mm hmm. ะก็จึงจึงมีคุณเตือนใจทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนี่ที่บ้านนี่แหละเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้วันนี้ก็ขอนำํำจดหมายหรือว่าสิ่งที่ทางแฟนรายการธรรมารับอรุณ ของเรานะเจ้าค่ะได้เขียนถามพระอาจารย์เข้ามาทางเว็บไซต์แต่ทีนนี้เนื่องจากพระอาจารย์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เออเป็นประโยชน์และก็น่าสนใจกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยดังนั้นก็เลยจะนํามาตอบในรายการในเช้าวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมเจ้าคะ<ม>่ะเจ้าค่ะก็จะมีสองคนนะเจ้าคะนานคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ใช้นามว่าลูกศิษย์นะเจ้าคะก็จะเขียนมาเจ้าค่ะก็บอกว่ากราบน้ำระสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอกราบ เรียนขออนุญาตเรียนถามท่านพระอาจารย์ดังนี้ก็คือในการเรียนการสอนในบางวิชานั้นเนี่ยบรรดาท่านครูอาจารย์บางท่านเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มาด้วยความถูกต้องคือไม่มีไลเซนส์หรือไม่มีใบอนุญาตนั่นเอง mm hmm. แล้วก็เอานั้นนั่นแหละมาสอนนักศึกษาเนื่องจากโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์จริงๆนั้นเนี่ยราคาก็คงเป็นที่ ท, ทราบเป็นดีว่าค่อนข้างสูงมาก mm hmm. อ, าอย่าโยมผู้ใจนามว่าลูกศิษย์นี้นะเจ้าค่ะก็ ถามมาว่าลักษณะอย่างนี้ถือว่าผิดศีลหรือผิดธรรมหรือไม่เจ้าคะแล้วเราจะมีวิธีอธิบายให้กับนักศึกษาได้อย่างไรเจ้าคะที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปถ้าพวกเขาหมายถึงว่านักศึกษาจบออกไปประกอบวิชาชีพของครูแล้วต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกันในวันข้างหน้าเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นครูสมัยใหม่นะเจ้าคะเพราะว่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรเจ้าคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์คชัน่ไหมครับ ก็เรียกว่าขโมยมาแหละแต่เพราะว่า อ, อันของจริงมันจะแพงเจ้าคะ่ะ<อ>นิมนต์เจ้าคะ่ะอันนี้พูดถึงโปรแกรมหนึ่หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโปรแกรมที่ต้องต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทําซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็จะต้องขายละนะ่ะหรือบางคนที่เขาให้ฟรีก็มีเจ้าค่ะทีนี้เรามาถามอย่างนี้สมมุติว่าถ้าคุณเติร์ใจนั่งสมาธิเนี่ยนะ <Okay. S 1> เราปรากฏว่า เ, เราทํานี้ก็ได้คุณเติร์ใจนั่งสมาธิใบ แล้วถ้าเอาเงินมาสักหมื่นหนึ่งนะถ้าต้องการบรรลุเป็นโูนยบันเอามาสักหมื่นหนึ่งแต่ถ้าจะเป็นอะไรสกัทาค า, ามีเอาเติมศูนย์เข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็นแสนหนึ่งแต่ถ้าเป็นธนาคามีเอามาล้านหนึ่งแต่ถ้าเป็นอาหารนี่เอามา10ล้านแตถ้าจะามาคิดตั้งอย่างยี้นะโอ้โหมันมันไปไม่ได้หรอกเพราะจะมาเราคิดไลเซนส์นตามลำดับทำที่คุณต้องการบรรลุหรอคุณต้องการบรบรลุเป็นบ้ารหลานเอามา10บล้านเดี๋ยวจะ บ, บอกสอนอรหรัสให้นั่นะมั น, ม, นมันไม่ได้ <c oughs> เจ้าค่ะอย่างนั้นมีมีคนบรรลุอรหันเยอะเลยนะคะหรื <c oughs> อเศษฐีเยอะ <c oughs> ห, รอหรืออาจจะหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นั้น <c oughs> ถ้าบางคนไม่ต้องการซื้อเลย <c oughs> นะหรือว่าทําไมเราจะต้องใช้ลักษณะนั้นคือคือต้องการจะพูดให้ฟังนะว่าอย่างธรรมะที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรหลายเส้นไม่ได้ ม, ม, ด ม, ม, ดมีสิทธิบัตรไม่มีนี่คือสิทธิไม่มีสิทธิบัตรตรงนี้พระเจ้าบอกว่ายังไงบอกว่าถึงแม้ตถาคตจาบังเกิดหรือไม่ก็ตาม นะอริยสัจสีเนี่ยก็เป็นของที่มีอยู่แล้ววา่าง<อ>ั้นเพราะฉะนั้นมีอยู่แล้วเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ค้นพบค้นพบนี่ก็ไม่ได้ค้นพบแบบว่าคือค้นพบตามพระพุทธเจ้าองค์อื่นนะพระพุทธเจ้าองค์อื่นเนี่ยได้จดสิทธิบัตรไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าสมณโคโดมมาค้นพบนี่จะต้องไปขอริญาจากพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนๆหรือเปล่าก็ไม่รู้<อ>เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจึงเป็นของที่เรียกว่าไม่ได้จดลิขสิทธิ์เอาไว้ นะไม่ได้จดไว้กับใครสคักคนใดคนหนึ่งด้วยกษัตริย์พวกนั้นที่เราไปจดไว้ระบบกฎหมายสมัยนั้นที่เขามีกันป่านนี้ก็หายไปหมดแล้วเป็นขี้เท่าหมดแล้วแมนะ้แต่คนออกกฎหมายเองก็ตามหาซากไม่เจอเลยนะแต่ว่าธรรมะของเ้ายังคงอยู่นะบัดนี้ที่ดูขึ้นใจสองพันหกร้อยปีแล้วใช่ ว, ว่ามันคนละชั้นกันขนาดไหน<อ>ถามว่ า, าคุณเอาไปผูกไว้กับอะไรในะความที่จะเป็นศีรษะเป็นอะไรที่คุณจะต้องมาห่วงๆกันเนี่ยน ะ, ะถ้าเราพูดถึงตามระบบของโลกเองเนี่ย ไอ้ของที่ไม่แตกไม่พังไม่หายไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่มีอย่างนี้นะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถึงแม้แต่คนที่เราเปจดสิทธิบัตรเองสัมนากานจดสิทธิบัตรมันเสื่อมได้เหมือนกันนะ <Okay. S 1> บางทีคอมพิวเตอร์ของเขาคราชขึ้นมาเงี้ยข้อมูลหายหมดอะไรเงี้ย <Okay. S 1> หรือไฟไหม้อย่างเงี้ยข้อมูลหายหมดโอโ้โหจบเลย <Okay. S 1> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่ า, เ, าเราเร า, เราจะเอาตรงไหนมาวัดกันดีว่าอันไหนควรจะใช้หรือไม่ใช้นะเราก็พิจารณาอย่างนี้ได้คุณเดืนใจว่า เวลาที่ ส, สิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าจะพูดกันต า, ตามตามระบบของโลกเนี่ยคือมันมันเป็นของโลกของเขามีอยู่แล้วนะเราจะไปจดทะเบียนตรงนี้มันมันไม่ถูกแต่ถ้ า, า จ, ะจะพูดถึงตามหลักของโลกนะนี่นยังไม่ได้พูดถึงตามหลักของกฎหมายเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องตามหลักของกฎหมายต่อไปนะหือคือพวกที่ฟังธรรมะ ท, ที่เป็นนักกฎหมายเพิ่งเถียงอาตมาได้ใจนะก็ <laughs> <า>จะไปเถียงเขาเราก็ไม่ชนะอยู่ดีแล้วก็คงเถียงแพ้อยู่ดีนะเดี๋ยวนี้พูดถึงระบบของโลกก่อน นะแต่มาได้เคยไปอ่านเรื่องเรื่องหนึ่งคุญฉชัยที่เขาจดสถิติบัตรในเรื่องของพันุข้าวนะพันธุข้าวก็ตามพันุมเมล็ดทวเหลืองก็ตาม เ, เดี๋ยวนี้มีการพันธุ ก, กรรมเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของไอ้พวกนี้แล้วก็จดสถิติบัตรกันใช่ไหมพันธุ์ข้าวมา <Okay. S 1> ฉันคิดคนพันุข้าวมาแล้วก็จดสถิติบัตรอะไรต่างๆนะ <Okay. S 1> ถามเลยนะว่าชาวนาเนี่ยเอาบ้านหนองเต่าเนี่ยบ้านหนองเต่เนะาดถวไหนสงานาเรียกมาถามถามว่าคุณเอาข้าวมาจากไหนเขาก็บอกว่าเขาก็เอาจากปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วเขาเก็บพันธุข้าวของเขาไว้ อันไหนดีๆเขาก็เก็บเอาไว้แล้วเขาก็เอาพันธข้าวพวกนี้มาทําต่อปีนี้นะปีนี้ได้ข้าวเท่าไหร่เอาแบ่งส่วนหนึ่งไปขายแบ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้ทําปั่นข้าวเขาทํามาเป็นอย่างเงี้ยเป็นโอยไม่ได้ว่ารุ่นเขาหรอกรุ่นปู่ย่าเขาก็ทํามาโอ๊ยไม่ได้ว่าต้องรุ่นปู่ย่าเขาเลยพันปีที่แล้วก็ทําอย่างนี้หมื่นปีที่แล้วก็ทําอย่างนี้มนุษย์ <c oughs> ก็ทำอย่างนี้นะค <Okay. S 1> ่ะถามว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปจดสิทธิบัตรว่าเธอเอาของฉันไม่ได้คือคือถ้าจะเอาของฉัััันนนนนนไไไไปปเเี่่ยยฉฉตตต้้้้ออออออองงดดรบกาาาาุุญญคืมวธ คือเมล็ดข้าวของปีใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับของปีเก่าแล้วนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไปเอาของที่เจ้าของเ้าห่วงอยู่เนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าเจ้าของเขาห่วงอยู่เราอย่าไปเอาแตถ้าเจ้าของเขาไม่ได้ห่วงเขาออกให้อนุญาตให้เอาไปได้เราก็เอาไปได้แค่นั้นเอง่ะอย่างสมมุติเราพูดถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะของที่มันอยู่ในในคอมพิวเตอร์ของอาดมาเนี่ยมันก็เป็นของที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของอาดมาเข้าใจไหมมันไม่ได้เป็นของที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ฟัง ของที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ฟังก็เป็นของที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ฟังไม่ได้เป็นของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่ของคนที่คิดก็เป็นคนละอันกันเพราะฉะนั้นถามว่าของเนี่ยมันคนละอันกันอยู่แล้วเข้าใจไหมของเนี่ยมันคนละอันกันอยู่แล้วยุตัวอย่างเช่นสมมุติว่าท่านผู้ฟังมีลูกลูกของท่านผู้ฟังที่ออกมาคนแรกกับคนที่สองมันก็คนละคนกันนะคะือสมมุติเราจะไปจดสิทธิบัตรในลูกอ่ะสมมุติคลอดลูกออกมาลูกฉันออกมาจากท้องฉันอย่างเงี้ยฉ um ันจะไปจดสิทธิบัตรว่าห้ามใครทําเรียนแบบลูกฉัน เอามันจดไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าคนอื่นเขาก็มีลูกเหมือนกันน่ะคุณเตือนใจนึกออกปะจ้ะคือคือจะไปจดทะเบียนว่าคนอื่นห้ามมีลูกลูกฉันมีได้คนเดียวมันไม่ได้นะเพราะนั่มันเป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วหรือว่าดาราสักคนในคนหนึ่งคุณเตือนใจชอบหน้าตัวเองมากเป็นต้นนะจะไปจดสิทธิบัตรว่าอคนอื่นห้ามมีหน้าแบบฉันเอ้ามันมันจดไม่ได้นะคนอื่นเขาก็ต้องมีตาอยู่เหนือจมูกและ หูนี่ <Okay. S 2> นต้องอยู่ข้างหน้านะมัน <Okay. S 2> จะมาอยู่ตรงจมูกมันไม่ได้นะ <Okay. S 2> เ อ, อหรือว่าเขาอาจจะจดสิทธิบัตรลักษณะ น, นี้ก็คือถ้าต้องการจะแบบโอ้โหจดลิขสิทธิ์มากเลยนะก็จะจดเขาโครงหน้าได้วะ่ะฉันต้องมีเขาโครงหน้าอย่างนี้นะใครจะมาทําสัญญกรรมให้หน้าเหมือนฉันเนี่ยไม่ได้อันนี้พอ <Okay. S 2> จดได้อยู่ <Okay. S 2> ในทางกฎหมาย <Okay. S 2> นะแต่ถ้าบอกว่าคนคลอดโลกออกมาแล้วมันหน้าเหมือนกันเนี่ยสวยแฟรแล้วจะทํายังไงอะ่ะ <Okay. S 2> คุณจะไปบอกให้เขาเปลี่ยนแปลงเหรอมันมันก็ไม่ได้นะเหนือไหมเพราะฉะนั้นการจดสิทธิบัตรในพันข้าวเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่แล้ว เข้าเข้าใจไหมโดยโดยทางหลักของโลกอนะทีนี้นักกฎหมายเขาก็จะมีมีข้อมูลของเขานะอันนักกฎหมายไงเขาก็เถียงชนะอยู่ดีก็ให้เขาชนะไปเราก็ไม่ว่าอะไรทีนี้ประเด็นที่อาตมาต้องการพูดถึงก็คือว่าเวลาที่ของใครเนี่ยเขาเขาจะคิดอย่างนี้ว่าของที่ที่เรามีอยู่นะก็เป็นของเราใช่ไหมของที่เขามีอยู่ก็เป็นของเขานะแต่การที่การที่เอาก๊อปปี้มาเนี่ยการที่ทําซ้ําเนี่ยกิริยาที่ทําซ้ําเนี่ยห้ามเข้าใจไหม สมมุติว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอยู่อันหนึ่งอาตมาไป Copy มาทําซ้ํามานะมาเป็น Copy ีที่2 Copy ที่2เนี่ยเป็นของอาตมานะ Copy ที่1ก็เป็นคนของคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันมันมันแยกกันเป็นความเป็นเจ้าของโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วแต่ที่เขาห้ามเนี่ยคือห้ามการทําซ้ำเกีริยาที่ทําซ้ําโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยถือว่าผิด <Okay. S 1> นี่ดังกฎหมายก็เถี่ยกันอย่างนี้นะท <Okay. S 1> ีนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ให้เขาชนะไปเถอะเราก็ไม่ว่าอะไร ถ้าของที่ใครมีของหวงอยู่เนี่ยเราก็ไม่ไปเอาเข้าใจไหมถ้าโดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตของที่มีเจ้าของหวงนี่มาอยู่ที่ว่าเงื่อนไขที่เขาให้ใช้เนี่ยเป็นยังไงในอยกรณีปัจจุบันเรื่องของงานวิจัยที่เป็นประเด็นก็ว่าคุณลอกฉันฉันลอกคุณอะไรอย่างเงี้ยนะนั้นก็เพราะว่าเงื่อนไขที่ที่เจ้าของคนที่เขาคิดคนพบคนแรกเนี่ยเขาค้นพบว่าเออเงื่อนไขนะฉันให้ใช้ฟรีอยู่แต่เงื่อนไขคือให้บอกว่าเอามาจากฉันถ้าเราเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้บอกของใครก็ถือว่าเป็นการโกงการขโมย ซึ่งในนี้ในกรณีนี้เคยมีแล้วในสมัยพุทธกาละมีพวกคนที่ขโมยทำคือมาบวชในธรรมวินยัยเสร็จแล้วก็ขโมยความรื่อต่างแล้วก็ไปตั้งาศาสนาเองเบอกนี่ฉันคิดเองอันนี้ฉันค้นพบเองอันนี้ไม่ถูกพระเจ้าบอกว่าพวกนี้เป็นพวกที่ขโมยทำเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ที่เงื่อนไ ข, ขของคนที่ต้องการให้ใช้อ ย, อย่างในรายการธรรมระพุลเนี่ยที่อาตมามาเทศเนี่ยนะก็เป็นข้อมูลที่ออกมาจากของพรุทธเจ้าเราก็จะบอกว่าอันนี้ของพระพุทธเจ้านะเราอามาเพราะนั้นลิขสิทธิ์ในรายการเนี่ยก็บอกไปเลยแล้วกันว่าไม่มี นะคือหมายความว่าให้รักษาความถูกต้องของข้อมูลก็แล้วกันอย่าเอาไปที่อัตาเทศตรงนั้นเทศตรงนี้เรามาต่อต่อการเราเป็นพูดไปอย่างนึงอย่างที่เขาทํากับพวกนักการเมืองเนี่ยนะอย่าให้ทำอย่างนั้นนะขอให้รักษาความถูกต้องของข้อมูลก็แล้วกันจะบอกแหล่งที่มาก็ได้ไม่บอกบอ ก, ก็ได้ไม่ว่าอะไรนะเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็ก็ยินดีด้วยแตเพราะว่าการเลี้ยงชีพของประสงฆ์เนี่ยคือการที่ไปบินตาบาดนะเราไปบินตาบาดแล้วได้อาหารมาไงเราก็กินอย่างนั้นก็พอใจแล้วแต่ส่วนการเทศศร์มีเวลาเราก็ทํำไปาตามเหตุตามปัจจัยแต่ขอให้รักษาความถููกกต้้้อองขมลลแวัน กระบวนกาที่ประเด็นของเรื่องซอฟต์แวร์ที่ว่าของที่มีเจ้าของห่วงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเจ้าของนั้นเขาให้เงื่อนไขยังไงในการนาไปใช้ในะอย่างพวก OpenSource เนี่ยเขาก็ให้เงื่อนไขว่าคุณใช้ฟรีเลยนะแต่ว่าความคุณรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นของคุณเองนะอย่ามาฟ้องร้องผมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมาฟ้องร้องผมไม่ได้นะนี่ก็เป็นเงื่อนไขของเขานะเงื่อนไขของคนที่เขาขายซอฟต์แวร์ก็คือต้องจ่ายเงิน <Okay. S 1> ถ้าเจ้าของเขาอนุอญาตว่าคุณจะก๊อปปี้ก็ได้คุณจะทําซ้ําก็ได้เอาเงินมาห้าพันว่ายอย่างนั้นนะ่ <Okay. S 1> อะอาก็ไ <Okay. S 1> ไม่ว่วาอะร งั้นเราก็ไปใช้อนันอื่นก็ได้เราก็ไปใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาให้ฟรีก็ได้ก็มีเยอะแยะใช่ไหมซอฟต์แวร์ที่เขาเรียกว่าภาษานักซอฟต์แวร์เขาเรียก open source อย่างเงี้ยเป็นซอฟต์แวร์ที่อนุ ญ, ญาตให้ใช้ฟรีก็มีนื้รื่องใช่เปิดไปเลยไม่ได้มีการห่วง <ๆ S 2> เล็ขสิทธิใ์ใช้ก็ได้ใช่หรือว่าซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะ cloud computing ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็ใช้ฟรีเยอะแยะไปแล้วเราก็ไปใช้ตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอาเอาของเดือดเจ้าของห่วง <c oughs> หรือบางทีเจ้าของนี่เขาอาจจะมีใจบุญใจกุศลนะเขาอนุ ญ, ญาตให้ใช้กับสถาบันการศึกษาอย่างอย่างเปิดกว้างได้ด้วยราคาพิเศษก็มี <c oughs> ในอย่างแทนที่สกิท่าพันเอาศูนย์ออกสักตัวหนึ่งเป็นคิด500อย่างนี้ก็มี <c oughs> แต่ว่าดนั้นคุณจะยอมจ่ายห0าร้ยไหมหรือคุณจะใช้ไปของที่เขาให้ฟรีฟรีกันจ่าก็ได้ก็แล้วแต่คุณ <c oughs> นะอย่างหนังสือธรรมะบางอย่างเนี่ยที่เขาแจกแจกกันปัจจุบันเนี่ยแจกฟ ร, รีก็มีไม่คิดค่ า, าใช้จ่ายเลยก็มีหรือว่าแจกเพื่อที่จะขอช่วยค่าพิมพ์ก็มี อย่างนี้นะออหรือบางคนบอกว่าไม่ให้อันนี้ฉันห่วงไว้มันก็ก็แล้วแต่แต่นี้ว่ามันก็จะต้องเป็นมูลค่าตามที่มีคนเขาห่วงเอาไว้อ <fade, S 1> <ied. S 2> อ่ะืมคาทีนี้ว่าเราจะไปคลายความห่วงของเขาเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปล่อหมายถึงว่าคุณจะไปเปลี่ยนด้วยอะไรใช่ไหมคุณจะไปเปลี่ยนด้วยเงินหรือจะไปคุณไปเปลี่ยนด้วยสิ่งของอย่างอื่นอย่างสมมติเราเอาเงินไปห้าพันนะความคลายอความห่วงของเขาหายไปเราก็ออกมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะอืโยมคิดว่าตรงเนี้ย มันเข้ากรณีที่พระอาจารย์พูดกล่าวเมื่อสักครู่นี้เจ้าค่ะว่าเขาคิดขึ้นมาเขาใช้สมองคิดขึ้นมาว่าจะต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นก็กลายเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้จากนั้นเขาก็เลยคิดค่าความคิดของเขาว่าเจ้าค่ ะ, ะ, คะใครจะมาใช้ใครจะมาใช้ก็จะต้องจ่ายเงินเหรียญว่าเนี่ยเจ้าค่ะทีะนี้ในกรณีที่ว่าอ า, อาจารย์ผู้สอนเนี่ยอเอาโปรแกรมพวกนี้มาแต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณใช่ไหมเจ้าค่ะก็เลยไปแบบเหมือนไปแอบจิ๊กเข้ามาอย่างเงี้ยเจ้า่ะแต่ว่า โปรแกรมนั้นเนี่ยเอามาสอนอธิบายให้ให้นักศึกษาได้เป็นประโยชน์เนี่ยเจ้าค่ะที่คุณลูกศิษฐ์ถามขึม้นมาเนี่ยถามว่าจะผิดศีลธรรมหรือไม่ผิดศีลผิดธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ พ, พ, พูดกันตรงตงเลยสมมติคุณซื้อามาจากไหนคุณมาจากพันทิพย์ใช่ไหมคุณไปซื้อมาจากพันทิพย์คุณซื้อมาเหรอคุณซื้อมาด้วยเงินเท่าไหร่แต่เขาคิดแผ่นละร้อยแต่ของจริงมันมันแผ่นละห้าพันนะเจ้าค่ะทีนี้ว่าถามว่าคุณไปเอามาจากพันทิพย์เนี่ยคุณขโมยเข้ามาหรือเปล่า ก็ไม่ได้ขโมยนะคือเราไม่ได้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แต่ว่าเจ้าของเขาเขาคิดร้อยหนึ่งเราก็<ด>ไปซื้อร้อยหนึ่งนั้นมาไม่ได้ขโมยเข้ามานะร้อยหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้น <โด S 2> ถามว่าทําตรงเนี้ถ้าจะพูดกันพูดนะพูดก็พูดนะถ้าจะบอกว่าผิดว่าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ไหม <Unf ug. S 2> นะคือซีดีแผ่นนั้นที่เขาขายกันอยู่ที่บันทิพยเนี่ยเขาวางกันอยู่ที่บันทิพเนี่ยเราไม่ได้ฉกออกมาเราเอาเงินร้รอยหนึ่งไปให้เพราะฉะนั้นเจ้าของนี่เขาอนุญาตให้เราแล้วเราไม่ได้ถือเอาททัพย์ี่่จจ้้ของไไมมดใหะ ส่วนคนที่ไปพันทิปเนี่ยเจ้าค่ะอย่างสมมตินะเจ้าคะคนต้นที่ไปเอามาก็รับกรรมไปเองนะเจ้าคะคนต้นที่ไปเอามามันมันก็จะถามว่าคุณไปเอามาได้ไงคุณเอาได้ยงไงแล้วถามว่าคุณอนุญาตเขาอนุญาตให้คุณทําซ้ํำไหมก็ต้องไปถามให้คนที่ทําซ้ําตรงนี้เจ้าค่ะว่าถ้าเขาถ้าเขาอนุญาตให้คุณคุณซื้อมาอยู่จริงตอนแรกใช่แต่เขาไม่ได้อนุญาตให้คุณทําซ้ําแต่คุณทําซ้ําอันนี้คุณต้องผิดแต่นี้คุณทําซ้ําแล้วคุณเอามาขายต่อเนี่ยถามว่าไอคนที่เขาไปซื้อมาเนี่ย คุณเอาทำซ้ the the the, the ca, like ํำไหมเขามีเขากําหนดไว้ยังไงมันก็จะคือคือเหมือนกับว่าคนคือคือเหมือนแบบเราจ้างวานฆ่าอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่ได้เป็นคนลงมือจริงๆอ่ะเราเป็นคนจ้างวานเราเป็นคนขายอาวุธมันก็มีความผิดที่ลดหลั่นกันไปนะศาลเขาก็จะเอาผิดที่ลดหลั่นกันไปนะแต่คนที่ลั่นไกลฆ่าเขาเนี่ยคุณจะได้รับความผิดมากที่สุดแต่คนที่ขายอาวุธกับแลผิดความผิดน้อยลงมาเนีเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นความต่างความพร้อยของสีนะไว้งั้นเถอะ <Okay. S 2> นะเป็นความด่างความพร้อยของสินถ้าเรากังวลมากเราก็ไปใช้ซอฟต์แวร์ที่มันเปิดซะนะ <Okay. S 2> หรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาอนุญาตให้ใช้ฟรีก็ได <Okay. S 2> นะ้ถ้าเราอธิบายอย่างนี้ให้กับลูกศิษย์ฟังนะไม่ถึงลูกศิษย์ที่เราสอนเนี่ยนะ <Okay. S 2> เขาจะเข้าใจแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรห้ามไม่ห้ามดัง <Okay. S 2> นะนั้นถ้าเราเราควรจะต้องจัดสรรเขาประมาณแหละเขาคือของสมมุติในโลกเขาสมมุติกันว่าเป็นยังไงเนี่ยนะเราก็จะต้องสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ว่าโดยความที่เป็นสาว ข, ของพระผู้มีพระภาคเนี่ย สิ่งใดๆที่เขาสมมุติกันว่าในโลกเนี่ยเราก็กล่าวสิ่งนั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรอะไรอยู่เนี่ยก็จะมาคือรรเราก็ไม่ยึดมั่นความหมายอะไรเราก็ทําไปตามที่เขาสมมติกันว่างั้นเถอะเจ้าค่ะสบายใจดได้อืเจ้าค่ะก็ให้ท่านผู้ถามมาซึีงใจนามวัลุศิกนี่ค่ะลองลองเอาเองเพราะอาจารย์ได้ตอบอ้อมๆให้ฟังแล้วนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ไปถึงคําถามต่อไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มาอีกคําถามนึงนะเจ้าค่ะก็มาจากท่านผู้หนึ่ง<ร> คุณวิเชียนเจ้าค่ะได้ได้เขียนถามมาบอกว่ามีผู้ใหญ่ในบริษัทเนี่ยมาถามคุณวิเชียนว่าการที่มอบหมายงานให้กับน้องทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แต่ว่าลูกน้องคนนั้นน่ะก็ได้ทํางานชิ้นนั้นผิดผิดพลาดพลาดซ้ําๆกันอยู่อย่างงั้นนะคะทั้งที่งานชิ้นนั้นเนี่ยก็เป็นรูปแบบเหมือนเดิมหรือว่าใกล้เคียงกับเดิมทุกอย่างเลยทีนี้เนี่ยซึ่งปัญหาในตัวของผู้ใหญ่ในบริษัทเนี่ยมีดังนี้นะเจ้าคะเขียนถามมา3ข้อซึ่งโยมขออนุญาตว่าจะอ่านไปทั้ง3ข้อเห็นไหมเจ้าคะอาจารย์จะได้ตอบเจ้าคะข้อแรกบอกว่าจะทําตัวอย่างไรสําหรับผู้ใหญ่ในบริษัทนั้นนะเจ้าคะจะทำตัวอย่างไรหรือจะคิดอย่างไร จะใช้หมวดธรรมะหมวดไหนเพื่อไม่ให้เกิดอคติในใจว่าลูกน้องคนเนี้ยต้องทํางานใหม่ผิดพลาดอีกไม่ว่าจะเป็นงานซ้ําเดิมหรือไม่ซ้ําอ๋อคําถามที่หนึ่งะเจ้าค ะ, ะคำถามที่สองคือจะใช้หมวดธรรมะหมวดใดเพื่อแก้ไขลูกน้องคนนี้เพื่อไม่ให้ทํางานผิดพลาดอีกอืมอเป็นสองคำถามนะเจ้าคะาแล้วก็มีปอรอ์หรือว่าเสริมมาด้วยว่าบริษัทที่ คุณวิเชียนทำงานอยู่เนี้ยเป็นงานออกแบบเกี่ยวกับ engineering มีชัวกรรมเนาะเจ้าค่ะซึ่งมีทั้งออกแบบซื้อของแล้วก็ติดตั้งซึ่งความเครียดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยสรุปว่า อ, อันนี้ถามในนามของผู้ใหญ่นะเจ้าค่ะว่ามีลูกน้องที่สั่งงานที่ใดที่หนึ่งนี้ไม่เคยทำได้ถูกต้องเลยจะผิดพลาดซ้ำๆอยู่อย่างนั้น อ, อันเนี้ยจะใช้ธรรมะหมวดใดที่จะมาเมตตา <c oughs> ลูกน้องดีเจ้าค่ะตับที่เจ้าค่ะอันดับแรกก่อนอันดับแรกพูดถึงว่า แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายเนี่ยจะคิดอย่างไรน้ำแรกก็คือห้ามโกรธนะความโกรธความแค้นเคืองความขึงเครียดพวกนี้อย่าให้มีเพราะว่าถ้าเราโกรธแค้นแค้นเคืองขึงเครียดขึ้นมาในจิตแล้วเนี่ยนะการแต่สินใจของเราจะปิดพลาดนะเราจะถูกเขาเรียกว่ามึนด้วยไอ้ความโกรธนี้ไฟมันเผารนเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นควันมันคุ้มหึมไปหมดเลยเนี่ยนะแต่สินใจผิดพลาดลงโทษก็จะรุนแรงลูกน้องก็ไม่รักเป็นเจ้านายที่เหมือนกับมีแต่เขา ลูกน้องก็เกลียดอย่างเงี้ยนะทำอะไรก็คิดคาดคิดอะไรผิดพลาดไปหมดเพราะนั้นทำจิตยังไงนะให้รู้จักเบรกจิตนะ้ำเบรกเนี่ยเบรกเบรกด้วยขาเลยนะก็คืออุเบกขาเหมือนกันอุเบกขาต้องมาอุเบกขาในจิตนะคืออุเบกขานี่จะเป็นตัวที่หยุดจิตของเราไม่ให้ไปอยู่ในแดนลบนะให้นิ่งเอาไว้นะเหมือนอย่างกับถ้าถ้าถามคุณเตืนใจว่าคุณเนใจเดินไปข้างนอกอเงี้ยเจอขอทานให้ขอทานไหมสมมติว่าให้เสียค่าบาทิบบาทอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> ทําไมเราสงสารให้ขอทานแม้เราสงสารอยู่นะทำไมคุณไม่ให้ซื้อข้าวให้เขายี่บาทเลยลนะ่ะอุตอนนั้นเวลาไม่พอหรือว่าทําไมคุณไม่รับเขาไปอยู่ที่บ้านเลยอะ่ะไม่ซื้อเสื้อผ้าให้เขาให้การศึกษาเขาอนุเคราะห์สงเคราะห์เขานั่นก็เพราะว่ามันมันอยู่ที่เราวางอุบเบกขาได้ตรงไหนไง <Okay. S 2> นะเข้าใจไหมเราเราก็ช่วยสงเคราะห์เขาเที่ยวที่เราช่วยได้นะสมมุติว่าบางคนอาจจะมีความกรุณามากนะก็ ไม่ได้หยุดที่ไม่ได้อยู่ตรงที่ให้หบาทยังไปซื้อข้าวมาให้เขาด้วย30บาทอย่างนี้แะนะบางค น, นก็กรุณามากขึ้นไปอีกเอาพาเขากลับบ้านไปอยู่ที่บ้านคืนหนึ่งบางคนกรุณามากขึ้นมีพาไปสอนหนังสือเรียนหนังสื อ, สอเขามีอาชีพโอ้มันก็จะถามว่าคุณจะหยุดที่ตรงไหนล่ะนั่น ห, หยุดที่ตรงนั้นคืออุเบกขาของคุณถามว่าเ <Okay. S 1> จ้านายจะช่วยลูกน้องช่วยที่ตรงไหนล่ะช่วยสอนเขาเนี่ยสอนที่ตรงไหนถ้ามันบื้อมากเลยเนี่ยนะสอนไม่ขึ้นเลยคุณต้องอุเบกขาสักจุดหนึ่ง mm hmm. แล้วถามว่าเราจะทํากับคนนี้ยังไง นาะผู้ชา ial, บอกอย่งนี้หน้าที่ของเจ้านายเนี่ยต้องให้ให้ลูกน้องก็คือหน่งนะให้ทําหน้าที่นะให้งานตามกําลังนะให้ทํางานตามกําลังข้อที่1นะ2ให้ค่าจ้างรางวัลสมมติว่าเราบอกว่าลูกน้องคนนี้นะให้ทํางานอย่างนี้ปรากวดให้ทํางานทําอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องให้เขาทํางานที่เขาทําได้ให้ทํางานตามกําลังคืออย่างสมมติว่าเราจะไปให้นักการพันโรงเนี่ยนะมาคํานวณออกแบบตึกอย่างเงี้ยเขาทาไม่ได้นะ แต่จะให้วิศวกรเนี่ยไปอดทนล้างห้องซ่วมเนี่ยวิศวกรก็ทําไม่ได้อยู่ดีอ่ ะ, <Okay. S 2> อะเพราะฉนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีใครมันจะเก่งไปทุกด้านนะมันก็จะต้องเก่งในด้านที่เขาทําได้ก็จะไหม <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ค่าจ้างรางวัลตามนั้นเป็นหน้าที่ของคุณนะเป็นหน้าที่ของเจ้านายนะที่จะต้องให้ทํางานตามกําลังถ้าเราไม่ให้ทํางานตามกําลังเราเป็นนักเจ้านายที่ห่วยอคุณเตือนใจเข้าใจไหม <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราต้องให้งานตามกำลังถ้าถ้าสมมุติว่าคนนี้เขาทางานดีอยู่ตอนแรกแรกแล้วปรากฏว่าเขาไปคบเพื่อนชั่วนะทำพลงานทํางานหว่วมาทํางานห่วยลงมาก็สายคิดงานก็ไม่ได้ที่พูดเคยดีๆก็กลายเป็นพูดไม่ดีเราต้องลดตำแหน่งเขาไม <Okay. S 2> ่พูดตรงไปว่าไม่รู้แต่ว่าก็คือให้ให้ทำงานตามกำลังอะ่ะ ถ้าอยู่สมาสักวันหนึ่งอย่างเยอะแยะไปในะอย่างคนที่ทํางานการบินไทยเนี่ยสมัยก่อนเป็นพนัก ง, งานบริการบนเครื่องบินโอ้โหสวยเช้งกระเดกเลยพอมีลูกมีเต้าแล้วเออต้องปลดระวางทํางานข้างบนไม่ได้ก็ต้องมาทํางานข้างล่างแทนแล้วเงินเดือนก็ได้ไม่เท่าเดิมอยูแล้วล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้ทํางานตามกําลังนะนี่เป็นหลักทางพุทศาสนาอยู่แล้วแล้วก็ให้ค่าจ้างรางวัลอันนี้อันที่2องเพราะฉนั้นถามว่าคุณจะช่วยเขายังไงถามว่าเวลาที่เขาประมาทอย่างเงี้ยอย่างลูกน้องเราประมาท ไปมีเพื่อนชั่วไปเล่นการพ น, นันไปเที่ยวกลางคืนทําให้ผลงานการทํางานลดลงถ้าคุณเป็นคนรู้จักเขาอยากต้องการจะอุปการะเขาเนี่ยคุณก็ช่วยเขาจากการที่ประมาทนะคือหมายความว่าถ้าเพื่อนของเรานประมาทใช่ไหมเราจะต้องห้ามจากบุคคลจากการที่ประมาทนะการที่ห้ามบุคคลจากการที่ประมาทเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีอุปการะมากใช่ไหมอย่างเราช่วยขอทานอย่างนี้ เราให้ให้เขาให้การศึกษาเขาให้เงิน5บาทเขาหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเราอุปการะเขาแล้วแต่ถามาว่าการอุปการะเนี่ยจะไปถึงไหนอ่ะจะลึกไปขนาดไหนจะมากขนาดไหนจะลึกซึ้งขนาดไหนอยู่ที่ว่าคุณวางอุเบกขาได้ตรงไหนนะแล้วจะไปคิดว่าคนนี้มันมากวนคนนี้มันมันไม่ดีเราโกรธเขาเห็นขอทานเราโกรธอันนี้คุณไม่ควรทาอย่างยิ่งเลย ต, ต้องมีอุเบกขาณนะ์ตรงนั้นเลยทันที อเจ้าค่ะอะอย่างลูกน้อยทาไม่ดีบางทีทํางานอย่างดีๆมาเกิดมาวันหนึ่งไม่ลู่มันไปกินลางแตนที่ไหนมาปรากฏมันก็ดา่าเรามันทํางานก็ไม่ดีทํางานก็เสียหายไอ้โครงการต่างๆที่วางแผนไว้อย่างดีล้มหมดเลยเราจะไปโกรธเขานี่ไม่ได้เราต้องมาอุเบกขานะถ้าเขาประมาทแล้วเราต้องรู้จักรักษาเขาเราจะเป็นเจ้านายที่มีอุปการะแก่เขาเนาะใช่ค่ะนี <No? S 2> ะ่ก็คือ เอาเรื่องของทิศทั้ง6มาจับนั่นเองนะองเจ้าค่ะก็คือเอาเรื่องของทิศที่6ที่ว่าระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะใช่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ที่ใต้บังคับบัญชาเราใชทีนี้ในข้อที่สองบอกว่าจะใช้หมวดธรรมหมวดไหนเจ้าค่ะเพื่อที่จะแก้ไขลูกน้องคนนี้เพื่อไม่ให้เขาทํางานผิดพลาดอีกอันนี้ต้องส่งไปเมตตากรุณาส่งไปอบรมเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะถ้าเรามีเมตตา แต<น> <Okay. S 1> บุคคลที่เมตเรามีเมตตากับเขาเนี่ยเขาก็จะ mm hmm. รักเราละอย่างหนึ่งแต่ถ้าลูกน้องเขารักเราเนี่ยน ะ, ะการทํางานผิดพลาดเขาก็อาจจะลดลงได้นะด้วยความที่เจ้านายมีความอุปการะแล้วก็การที่เราช่วยเหลือลูกน้องด้วยการที่ซื้อของมาให้กินบ้างให้ชิมของที่มีรสประหลาดบ้างรู้จักรักษายามเจ็บไข้พวกนี้จะเป็นการช่วยที่ให้ลูกน้องมีกําลังใจในการทํางานแน่นอน แล้วก็เรื่องที่บอกสําคัญก็คือเรื่องการวางอุเบกขาการเบรกจิตเบรกจิตไม่ให้ของเรามันไปอยู่ในแดนลบนะด่าว่าลูกน้องไม่ดีละ่ละเราถามว่าเราจะช่วยเขาแค่ไหนจะส่งไปอบรมไห ม, มจะไปถึงบ้านช่วยแก้ปัญหาที่บ้านให้ไหมมันก็อยู่ที่ว่าเรามีอุเบกขาในระดับไหนนะเราจะอุปการะเขาระดับไหนเท่านั้นเองนะเราก็แก้ไปตามนี้แหละแล้วก็ถ้าปู่มันแก้ไม่ได้จริงๆนะอันนี้เป็นกรรมของเขาจริงๆนะๆอย่างขอทานอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะ มันก็เท่านั้นเองอย่างลูกน้องบางทีเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้ก็เท่านั้นเองเนาะมันก็คือเท่านั้นเองอ่ะอก็เป็นกรรมของเขาตรงนี้เจ้าค่ะก็วางจิตอย่างนั้นก็จะได้ไม่ไปมโมโหโทโสนะค่ะใช่ใเจ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลได้เมตตาชี้นําไว้ก็คือเรื่องของการที่คนที่เป็นผู้บัญชาหรือหัวหน้าเนี่ยก็ต้องพิจารณามอบหมายงานตามความสามารถของเขาถูกต้องคุณต้องมีวิสัยทัศน์ตรงนี้เจ้าค่ะ ทีนี้บางทีเราไปมอบหมายงานที่ยากเกินไปเขาอาจจะทำผิดพลาดซ้ำๆอยู่นะเจ้าคะใช่ ก, ก็อันนั้นก็ต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดส่วนหนึ่งของตัวเราก็ต้องมาแก้ที่เราด้วยนะเจ้าคะก็หัวหน้าผิดเองอะ่ะคุณเอา ง, งานมไม่เาขาทำเจ้าคะ่ะเหมือนอย่างที่ภาษาอังกฤษเขาบอก put the right man on the right job คือต้องวางคนให้มันถูกงานถูกที่ถูกทางนะเจ้าค่ะอันนั้นก็สาคัญเหมือนกันเจ้าค่ะก็วันนี้ได้ตอบเป็น ปัญหาของสองท่านนะเจ้าค่ะคนที่ใช้คําว่าลูกศิษย์กับอีกท่านหนึ่งก็คือของคุณวิเชียนนี้เวลาเหลืออยู่ประมาณสักสองสนาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาที่จะฝากข้อคิดปิดท้ายไหมเจ้าค่ะพี่มเจ้าค่ะจะพูดถึงตรงนี้ที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกรรมแตว่าสมมุติว่าคนนั้นเนี่ยลูกน้องของเราเนี่ยนะเขาสามารถที่จะพัฒนาเรียนรู้ของตัวเองได้คือคือไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือตู้หัวหน้าเองก็ตามหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ย ถ้าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะเรารู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลนี่สมมุติเด็กชายน้ําเงินที่เราเียงตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่งพอคิดเลขทีไรปุ๊บมันหัวมันตันทันทีเนี่ยพอหัวมันตันทันทีเนี่ยถามว่าคุณจะสามารถที่จะคลายอากุศลตรงนี้ได้ไหมแล้วทํากุศลแล้วทำไม่เกิดขึ้นได้ไหมแต่ถ้าเราทําได้เราจะแก้ไขปัญหนา น, นั้นได้เราจะมุ่งหน้าเป็นคนที่เรียนเลขเก่งได้เช่นเดียวกันลูกน้องคนนี้ แตนะถ้าเขาแก้ไขปัญหาได้เราคอยเป็นเหมือนกับคนที่คอยดูแลเป็นโค้ชเป็นคนที่คอยดูแลให้เขาเนี่ยให้เขาคลายอากุศสในจิตให้เขาคลายความยึดตึงในหัวคลายความมึนตึงในหัวแล้วก็ชี้ทางสว่างให้เนี่ยมันก็จะทําให้เขาเรียนรู้ขึ้นมาได้อันนี้เป็นกรรมจริงๆรนะิเป็นกรรมที่เขากระทําในปัจจุบันทําให้เขาดีขึ้นมาได้นะบุคคลจะเป็นคนดีเขเพราะกรรมนะจะเป็นวิศวกดกับพระกรรมว า, างกันเถอะ เพราะนั้นเราก็ช่วยเหลือเขาอย่างนี้เจ้าค่ะอาศัยจิตที่มีเมตตานะเจ้าค่ะี่จะช่วยเหลือเขาให้เขาดีขึ้นนะเจ้าค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าเนี่ยพึงที่จะมีมีไว้อยู่ในใจเสมอเป็นธรรมะที่อยู่ในใจนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขาท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์ที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ก็หมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องขออนุญาต กราบอำลาท่านผู้ฟังทางบ้านไปเพียงแค่นี้ค่ะและถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาให้เดื้นได้เรียนถามแทนท่านผู้ฟังในรายการช่วงเสารออ์อาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะกันได้ต่อไปนะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการอขอพระคุณอย่างสูงยิ่งแด่พระอาจารย์ไพบูญอภิปุนโน และพระด็จคุณหลวงพ่อดอรสะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าช่วงของสากรชานะคะกราบนมัสการขอพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอ า, าจารย์เจ้าค่ะเจ้าพนสาทุเจ้าค่ะ